แต่แน่ลาเปลดหลวอแล้วทำให้ลูกลกบต้องทนน้ตาไหลและสภาพตัวเองามีเมตตาของหลวงพ่อเปนอย่างมากรู้สึกว่าตัวเองเหนเลยมากที่ไม่สามารถเรียนรู้และรับคำสอนของหลวงพ่อได้อย่างแท้จริง วันนี้ลูกท er. <rê ve. S 1> ั้งหลายขอสมาลราโษและสร้างบัต mm. <t ip pers ian> e. ิน้ทางว่าจะมยายามเงียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของก็ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เิืได้ารศแล้วไม่ได้ไรเลยว่าไปลาธรมะกระป๋องไย ประการเะไรก็ไม่กระป๋องเพราะมันกรรมมเองอาคาล้วก็ยึดรถอย่างโง่ในขณะที่กาลังนั่งเจริญก็กรรมถานเมื่อกี้นี้นั่งไปพรู้หนึ่งก็ปรากฏว่าลูกได้เห็นกองไฟกำลังลุกลุกลุกลุกอ้าหน้าอย่างพัดเจนกันไใสเ้็นอย่างมากแต่เอนั่งกินแค่ชั่หนึ่งก็ปรากฏเป็นรถน พันหนึ่งลักษณะคล้ายรถเร็วเจ้ารถจะมาเยาะเย้ยเร็วค้อจะมายหาตัวลูกตอนนี้เองสมาชิกของลูกต้องจะรู้สงกใจไม่ทราบว่าตอนแรกเห็นกองไฟตอนสอเห็นรถคุ้มเข้ามาอารมณ์ว่ากรรมฐานแบบนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรดีไร้างไหนขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยข้อนี้นะไปเข้าที่ไหนบรรลัยที่นั่นเป็นศูนย์ รถยนต์สี่นี่แหละเทคโนโลตลอดตัวนี้โอไฟส่ไม่หมดสิคอเตฮ้าอสี่ก็เรีนว่าไม่มีอะไรเป็นนิมิตธรรมดากองไฟจะหมายว่าก็เคยเจออะเรมาถามในเจอจักสินมาก่อนของเก่าควรจะใช้ แล้วเี็นแน่นตอนเป็นอะไรกับสินรถยนเป็นรถกสิณไอรถยนนี่เราหมายความว่าการเคลื่อนไหวมันจะเร็วถ้าทำเตโจรกสินใช่แค่เทโจก่อนเวลาฉันฝึกก็แบบเดียวกันเนี่ยโนบานบอกใช่กับบุษยนกลางอานาบานุสุติกับบุษโก่อนถ้ามีมิตรใดเกิดขึ้นจับเลยจับเตโจรกสินนี่เหมือนกัน แต่จงกระสินเป็พื้นฐายของทิพย์จักรยานอ่าจะดูจะเออเตี๋ยวันก็ที่กินแรกทานอย่างนดีดีอะเขาเล่นเตนโควตินะปายเขาดูเดแต่ว่าจะของศึกสาไม่ครบจะว่าอย่างของผู้เห็นเนี่ยนะอาจารย์ต่างๆเขาก็มาเกิจะครบเหมือนกันเลยออหลวพผ่านาี้มาครบใช่ใช่เขาถือว่าถ้าเราเราเห็นภาพอย่างนี้เราทำกระสินนี่มีไห มันไม่เกินเจ็ดวันได้ชั้นสี่แล้วต่อไปกรรมฐานนี้ก็ได้มันใก่อนก่อนมันจะเกิดขึ้นอีกจับอีกเกิดอี ก, จ, อกจับอีกจับไปทุกแบบนี้ฉันเองจับกรรมฐานเก่าได้ จ, จีมสามสิบเจ็ดกองสามสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเมื่อวานนี้ห้าสิบเจ็ดเกมในตงหะเงี้ยร้อย รองไ้ลูกเท้าเอะรองไปก็ไปนานว่าโชคดีนะคนนี้นะถ้าเข้าใจก็โชคดีเข้าใจก็โชคดีอ่าครับบารมีหลวงพ่อรัก้งหนึ่งในชีวิตร้องว่าก็มารู้จักหลวงพ่อเป็นครั้งแรกคือเลือกไปยันนี้กว่าที่จะรบคนก็ตามก็คือว่า่าอยากจะนาลูกชายอ่ามาถวายหลวงพ่อคือยกให้เป็นลูกของหลวงพ่อ เพื่อจะให้เด็กนี้ไม่งองแงต่อไปว่านอนสอนง่าย เ, เหล่านี้ชันอ่านจะเริ่นเรื่มแต่ที่นี่วิธีที่ในยกสวายหลวงพ่อไม่ทราบว่าที่บ้านว่งนีปฏิกาหรือว่าวิธีการอย่างไรหนือเาครับไม่มีอะไรบอกเฉยๆก็ใช้ได้จุดโทษบอกก็ได้แ ม, มใช่เป็นมืจับจดโทษแนบร<ช>ัลัก็ได้ต่อหน้าก็ได้ใช่ไม่ตอต่อหน้ารับหลังที่บ้านนั่นแหละต้องมีไ ไม่เอาอะแต่มัน้อยประอยัดได้โผล่เลยจะมากรรมฐานแล้วลาก็ไปนานว่าปันงใจยกถวายถ้เป็นลูกแล้วนี่บอกว่าลาบรมสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ก็รบจำสูงเพราะวันที่เจ็ดกอยอสามสามไมฮานักกินจอย ไม่ถึแกกรรมวัดตอไม่ถึงแก่กรรมโบ๊ะไสต์อีีแล้วแก่กรรมยได้รอดนะทีนี้ก็เมทีได้เกิดก่อนนี่ประหลาดมากตอนเร้าวันที่7กยนายมหัจตได้เห็นพระสมมาหาแล้วบอกให้พี่ษาไปซื้อน้ำอัดลมมาเพื่อจะถวายพระสงฆ์พี่สามองต้ามองขาไม่เห็นที่พระพระสงฆ์แต่เขาเห็นเขาก็เลยซื้น้าอัดลมมาเอาวางไว้ที่หัวนอนช่ยร่งกาว่าจะถวาย แต่ก็สายเนิดสายหน่อยก็ตาขกดว่าแย่ให้ไปซื้อเล้าที่รูปแฝดยืนเรีมากินเข้าไปสองขวดบายสามสี่โมงสามสี่สามสี่โมงสามสี่แต่ก็เลยถึงเก็บความตายที่รูปจะเรียนามนี่จะสงสัยที่ว่าร้าวอารมณ์ดีมากเห็นว่ามาบายเห็นเล่ามาสามขวดเรียบร้อย ในการตายลักษณะอย่างนี้หากลกจะถวายพรนธะทานให้แก่แกจะมีโอกาสรักหรือเปล่าพุทธมังงนั่นมีโอกาสแน่นอนเพราะลุงท่านยืนยันว่ายังไม่ลงนรกไ ม, ม่ก่อนเห็นพระแลลุงท่านบอกเลยผม ก, ก็เห็นพระลุงบอกก่อนจันทร์อ่านนี่ตอนกินเหล้าตายนี่ก็ไม่เป็นไร พอดีเล่าตายมันยังไม่ใช่การนัดิบาสใช่ไหมบาสยังไม่หนักนักก็ต้องรอการสอบสวนก่อนเรื่อการสอบสวนก็อาจจะไม่ถึงพระได้ถ้านึกถึงพระก็ไปสวรรค์เวลานี้อยู่ระหว่างสอบสวนถ้าสงให้ได้รับทันทีให้คนเดียวน่าอย่าแบ่งใครนะตอบตรงช่ไหแผลพัลังกแต่เรื่องารม์ก่อนไนะดีดีๆจะใหกับหลวงพ่อครับ จังได้โอกาสถวายทานกับพระน่าจะกินเหล้าได้สองอย่างถ้าไปเป็นเทวดาก็คุยคคุยเขื่อนได้เพราะฉันนี่ถวายเปปซี่กับพระมันนะให้กินเหล้าด้วยแล้วแกเคยเปล่าอ่ไปเป็นเทวดาหรืว่าเทวดาเปปซี่ใง่ใช่ยี่สิบแปไอ้เ้าอาวาสต้องต่างของเทวดายีบแไอ้ที่ทำยอดยอดชนะตัวตัวว่าจะเป็นหัวเปปซี่งั้นนะ เอาปากเปปซี่ลงมาตดเป๊ปซี่ขึ้นจู่เออดีเหมือนกันเลยว่าแต่ดีว่าทเป็นสีฟ้าได้ปุ๊ดเถอดตด้เพราะว่ากาลังสอวนอยู่ยังไม่สับสวนก็ลองรอการสอบสอเลยนะตอนนี้ม่ีอันนี้สี่งปลอมหลวงพ่อพิมพ์ยาค่าเชินชี่อิมพ์ยาแพงทั้งตลาดก็เอาคันเลยเลยเสียงแล้ว การแน่แนกหรือว่าแบบเขาบอกแล้วบอกลู้ได้ตั้งใจถวายปัดใจสีเพื่อจะให้ังกอาทกข์กลุ่มสร้างองค์มรงคผลแต่ถ้าวะทุกข์จอจงไห้แก่สูกเสียชีวิตโดเลตายก็แค้และตายก็จมน้ำนั้นก็จะมีทางเป็นไปได้หรือไม่ก็ ก็สุแรกจะเขาจะโมทนาได้หร <then, S 3> <a> ือไม่ถ้าโมได้ก็ได้าโบไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่แล้วพ่อจะหาลูปสร้างศาลพระภูมมีความจำเป็นจะต้องไปสร้างบันทิตวนสองแต่ก็หัน้าศาลพระภูมไปทำทิตวรสอาอันนี้จะ นายฉันว่าไรยกเรื่องเขาดีกว่ายกเรื่องอะไรวะตั้งที่โดนตกก็ยกเรื่องเดีกว่าจ้าวไม่บอกนะฉันเร็วมากใช่ใช่ตกมาสองรายแล้วยังยังคาดไม่ถึงเลยเศรษฐีได้แท่พัง ถ้าเจมเป็นก็ไม่ใช้สารใช้หิ่งวว้ด้านไว้ด้านทิศเหนือที่เราอกก็ตามในบ้านดีกว่าการยกสารเป็นการแสดงความเคารพริยอมรับและถือกันละกันในเมื่อที่สถานที่ไม่มีก็ตั้งหิ่งไปที่บูชาใช้ได้ใช่ใช่การ า ก, การท้ามาทำสการหล่มพ้อที่กรอดกยงสูงวันนี้ลูกไปมาถวายสังฆทานให้แก ค, คนที่ถูกไฟตายโดยไม่ทยาตแต่ว่าในที่สดดอดสงไปให้เขาไม่ทราบว่าจะมีทานได้รับไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรไฟดูดตายใชนก็ไม่รู้ไฟดูดตายไฟดูดตายถ้าไฟมีปากเหรอ ไม่เป็นไรแล้วเขาโมทนาได้ก็ได้โมทนาไม่ได้ก็ไม่ได้นะบอกตรงว่าอไองนี้กอนะกลาไหมานี่ก็อยู่ทีการได้ไม่ได้อยู่ที่โาใช่จะเดาส่งหือเ่าไม่ได้โอ้หลวงพ่อลูกไม่อยากจรบกวหลวงพ่อเลยเพราะว่าหลวงพ่อสุขภาพไม่ดีเลยเขียนมาถามต้องหมรู้ร่องราวแม้ไม่น่าอ่านเลยนะ่ยเจนี่เจนี่ตาเลยเลย ไม่อยากแมรู้หลวงพ่อสบายไม่อยากรบกวนเลยแต่ว่าลูกมาเดือดร้อนกว่าหลพ่อเดื่ดมากคุก็กลัวตอนนี้แมอัศวะกับผมมาเดือดร้อนไปทุกอย่างไม่ว่าจะทำจะที่จะพูดจะติดต่อแล้วไม่ได้เรื่องกัจงเลยทักษิชาตินี้ลูกก็ทำานณกัหลพ่อเยอะเหือเกินลูกอยากจะขอเพึ่มพลัมีหลงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อนั่งกำมาถามอีไดก็ขอให้แผ่เมตตาให้ลูกคนก็มาเลย มีมสุขจะได้เดือดร้อนต่อไปด้วยเถิาคาถาเงินล้านไม่ทาเป็นสมาธินะอตาหิตโนนาโถตุลายจมเป็นที่พึ่งขงตนโภยนาโถโรฮิยาบุคุณอ๋ยใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อตาหิสุทานเตนะถ้าเราฝึกฝนตนดีเราใช้อามางลับติีชนนปังจะได้ที่พึ่งบุคุณได้จิยาต้องทาตัวให้ดีใช่ใช่ใช่ มไม่เนีแบบ่ยเป็นเนี่ยฉันเป็นมาหาทุกเดือน<และ>มาหาอะไรมาหามาหาหาลูกหลานเนี่ยมาทุกเดือนถึงเดือนเรเป็นมาเป็นไม่มหาแน่โอ้ทำไมมหาไม่ได้ไม่ได้ที่ไม่มาหาเหยีลูกหลานจะลําบากเอที่ที่มาเพราะว่าในสมัยนั้นไม่ได้มาใช่ไหมวันเสาร์วัอาทิตย์จะรถแน่นที่วัด กคิดว่าเราบาคนเดียวลงทุนน้อยกว่าเข้าไปก็มากมายลงทุนมากกว่าถ้าแค่นี้เอนะก็ไปายแหม่พ่อรับไปบ่อยกเจ๊มร่นพ่อจเหนอะรำา่เป็นไรให้ให้เถอะนั่งรับไปไวก็นอนรับลืมลืมจารัไปไว้หลับยังรับอีกแบมือไว้แมไว้ แม่ที่หลวงพ่อม่ตายโอโหถึงที่สุดตายแล้วยังรับไงฮะใช่เฮ้ยเวลาเขาไปทาศพตังไว้วางเขาเอาโอ้ยพระเนี่ยมาเพื่อรับอย่เดียใช่รู้ที่จะสั่งไม่ให้รับอย่างเดียวห้ามใจโอ้ยพระนี่ยตาถึงขั้นเลยนะอยา้ก็ขอขอาเนตารำบ้าไปอ้าเท้าป้า ข้อมใจเหลือเกินว่าไปวัดพราสุคาวนั้นได้ไปเห็นภาพวิสุทธิเทศรูปก็จกภาพได้ชัดเจนแจ่มใสแต่ที่สงสัยก็คือว่าจะเป็นองค์เดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหรือเปล่ากพระผมจังโง่เป็นสิทธิมาใหม่ขอรลวงพ่อเด็ดดลยแก้ไขเด็ดเดินสอรละรงเดียวกันรงเดียวกันทีสุทธิเทพเป็นไหม่ที่สุทธิเทเป็นใหม่ที่พระรหันพระพุทธเจ้า เธอเทวดาผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จะกินเละถ้ามีที่อยู่มีวิมานอยู่เธอไม่ต้องเวียนว่าแต่เกิดในวัฏจัต่อไปใช่ไหมถ้าหลานก็ได้พระเจ้าก็ได้แต่องค์นั่นหมายถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงใช่พออย่างนี้ถหากว่าลูกหลานจงภาพนี้ได้เพราภาพนี้ก็มีสิทิ์ไปมีสิตธิ์ไปได้จำได้ดีกว่าเราคนมีน้าเรา ว็นไปนั่งเป็นเงินแป๊กเดียวปูไปจังตุดมโนมโนอะไรอเ้ยใช่ใช่ใช่ใช่มีสิลังพ่อเจ้าขาแพ้รูปปวดทีพลามาต้องสามเดือนแล้วรู้สึกว่าปฏิบัติเส้นพัดทุกอย่างสิบแปดเรียสวดนอนเปรียธรรมฐานเปรีย ไม่เห็นอะไรเลยโัวร์ครไม่จะเป็นอย่างนี้ไปได้สงสัยนี oh <su> ่นี่่าจสูบแครกนะอะไรเนี่ยครัสูแคกหมอตาเนาะหมตาขาไม่เห็นน่แสดงาตาไม่ดีอไให้ตัดแกรง้วตัดการใจใจดีแล้วเาเจอตับปลลอะแกนล้เลย เจออะาร ก, ก็มาถามเปรียเปรี ย, รยถ้าเบสุขเับจะโกไม่เห็นอะไรหรอกต้องเปรียเตที่โชจริงจะเห็นตงแต่เตวิโชขึ้นไปเตวิชโชได้จึงจะเห็นไม่ไปไม่ได้ฉลาดพิโยจึงไปได้อาตตาเป็นปฏิ ท, ท, ฏทักษก่สบายเลยเดี๋ยวทายานจะเข้าต่อเมื่อได้นางคมีแล้ว<อ>ยงไม่ถึงนางคมีไปทั้งทายานไม่มา ถ้าฝึกก็เป็ได้นะลูกาจะทำุญแขออธิษฐานก็ถามว่าบรรลุมาลายขอได้หรือัฏิาด้วยจะได้อธิษฐานได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะิทายายเราต้องมีพื้นฐานไม่ใช่ใชาติก่อนไม่ใช่พื้นฐานชาตินี้ เราต้องไปได้พอดลูกหลานสมโนโธิ์ยุที่ได้เร็วได้นี่แต่ที่เร็วมีของเกามาโอนี่ยแต่มาเป็นแสนชาติแล้วที่ฝึกนี่เป็นการฝึกคนได้มาแล้วมันจะฝึกคนยังไม่ได้<ม>การสอนกรรมฐานมีสองอย่างหนึ่งสอนคนที่ไม่เคยได้มาเลยในชาติก่อนสอนแบบหนึ่งกระบรนการที่สองสอนคนที่เคยได้ไมาแล้วในชาติก่อนสอนแบบหนึ่งที่สอนปัจจุบันในสอนคนชาติได้แล้วในชาติก่อน ได้นะาไม่เบาเอนกันนะไม่เบาหนักด้วยขาดเบาเลยนะใช่ใช่อ๋อนีไเราคนที่อื่นไม่ค่อยจะออกมาที่มี่แตที่ออกของเก่าเคยได้ไปแล้วนะก็แสดงว่าใหญคนที่เปียสามเปียอะไไม่ได้เลยนะข้าวแล้วก็เปี๊ยขึๆจงหเลยใช่ ไอเปรี้ยๆจะไม่แน่นอนหรอกจะได้ทำฐานถ้าได้ต้องจิตเป็นสุขไม่จิตเปรี้ยต้องรวมเป็นสุขเราย้ายเก้ามาแล้วอมีหนึ่งสามแหละอ๋อีปล่อยไปเอไม่จายตอวนี้ไปให้เป็นพมหาจ่ายเป็นพันเจ้าวันได้กำไรนะ อ้าวันนี้ก็ตอบมาแล้วพ่อกะรักกับผม <Hey. S 1> งสงสายเกี่ยวกับเรือนั่จะั ง, งเกี่ยวกับเรื่องจิบนิดหนึ่งเรืวยอว่าคำว่าจิบเที่ยงจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผมไม่สงสใสแต่ว่าสงมใสที่ว่าจิตไม่สงบนี่สิ <c oughs> จะทำยังไง รล้วาผมก็นั่งมานานแล้วกรรมฐานเกือบสิปีไม่เคยสงบเลยนั่งพุกมันออกปั๊บนั่งปั๊บมันออกพุกดีมากให้ลอช่วยเมตตากับผมสักร้งเถอะาเป็นสิตั้งแรกไอจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเขาแก้ด้วยนาบาตุสติแสดงว่าบทต้นไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่นาบาตุสติให้ชินดีนะ โอ้ีก็งนะต้องเกปียังไม่ได้เลยเลยใช่ไปหลายใครมาบอกเต้องลงว่ต้องขึ้นต้นยอ่ะนาปานสตินาปาได้ที่งไม่ได้ต้องขึ้นต้นแล้วครมตอนจบก็ต้องแล่วจนกว่าจะจบพระพุทธเจานาปาตลอดเพราะพะุทธเจ้าเองเคยต่คำภาษพุทธภาษาลิบุตาดูก่อนสาลิบุตเราเองก็เป็นพว้บ้างนาปาโนสติทิงไม่ได้เลย เป็นกรรมฐานระงับทุกเวทนาเมื่อกี้เนี่ยปวดต้องขี้แต่เขาจะรียนกรรมฐานช่นาบาคุมไว้ามาเออะไรแล้วนั่นจออิตก็จะวมายถึงท่านเสร็จด้วยไหไทจระตอบางครักาใช้อนาา่ใช่าา <c oughs> ใช่เสดใ ช, ใช้ไม่ใช่บางครัง้งมาใช้ทั้งตลอดวันวิชาูตอไปแลนก็นาบัคแหงคุม้มคนในไปไหน ไม่ใ ช, <ก>ไใช่ไม่ใช่นั่งทนนะทนนั่ง <c oughs> อะอ๋อสภาวะจริงเป็นนะใช่ใช่เนี่ยหลายคนมาสงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อจะป่วยได้ยังไ ง, งสงักที่เวลารับแขกแต่ละ่านหีินก็ของใสแหนเห็นยตาอ้าวสะหรับแขกหน้าบึงไม่ได้จังดิอ๋อที่ยิ <c oughs> ้ ม, ม่้่ยิ้มรับเงิน เอาว้เจ้าสอยมีเมตตาความรักกุณาความสงสารหน้าบึ้งได้มาไหนรอกเพราะต้องมีพรหมงานสี่เวลาจะรับมีมหใชใช่แต่ใค้มาขอหน้าบึง <c oughs> า้ง <c oughs> ผ, ผิดระบบพิขุบแปลบูขอไม่ใช่รูให้ายงคายการแปลูให้มีหน้าที่ให้อย่างเดียวจ ะ, ะขอไม่ได้ขอไม่ได้ขอเจอเบครับ <c oughs> มีอย่าแต่ด้วยก็ไว่าสบายใจได้นาปาะตัวนี้เออยาน อ, อบบนาปาให้มากนะแม้แตู่ลคนที่ยาไม่เหมือนเหมือนกันถ้าจะน่าอ น, นาปาตัวเดียวเป็นฌานทุกอย่างเป็นฌานหมดคุมเลยอนาภาเนี่เนยเพระาะ ถ, ถือว่าเป็นกรรมฐานใหญ่ที่สุดคุมทุกกอง จะทำกองไหนก็ตามต้องขึ้นด้นาปาและคูน า, าปาะตลดตอดก็ภาวนาไปตามเรื่องออจะเที่ยงน า, าปาไม่ได้อานาปาเนี่ยก็ภาวนากับไม่ลดไม่เป็นไรถ้าไม่ภาวนาแล้วเบียนนาปาะเฉยถ้าภาวนาด้วยเบียนนาปาด้วยเป็นคำถ่านคนนั้นด้วยปราผ้าพระเดศพระคุณหลวงพ่อที่กรุ๊ปอ่างสูก็ผมก็เป็นนักปฏิบัติคนหนึ่ง ก่อนจะปฏิบัติก็อดมนุ่งะชอบที่ิจุดก็คือสวยีมีก็จะมาคคุมัำฝันไปเมื่อส่วนเสร็จแล้วก็กำหนดจิตภาวนาแต่ว่าที่แปลกประหลาดก็คือว่าพอเริ่มภาวนาพบจิตมาห่องไปเลยร่ํยเฟื่อยไปไหนต่ไหนดึงไม่ค่อยจะกลับเรียกไม่ค่อยจะมาบางครั้งก็ไปดีบางครั้งก็ไปไม่ดีวิอที่จะเรียกจิตกลับ หรือให้มันอยู่ในร่องในลอยในโอวาสให้ทราบว่าจะบังพับได้อย่างไรขอโปรดเมตตาหลวงพ่อที่แนะวิธีการด้วยเถิดขอรับตัวเดียวกันก็นกนอนาปา่าอาพระมหาอาจารย์ใหญ่ก็ใช่ดีโอ้ไ <c oughs> อ้ที่ปฏิบาติต้องแรงเราแรงทีเกี่ยวกับอนาปาใช่ใช่เนี่ยสาคัญที่สุดได้ฌานเร็วกว็อนาปา่าต้องอนาปา่าเป็นฌานตัวอื่นจริงจะเป็นฌาน เพูดนนาปานีกตาเรเข้าพวนีภาวนาไดก็ได้เลยทาไมเขาบอกว่าอะไรห้วงเจ้าเป็นของสูงเราไปภาวนาให้ใจเข้ามืใจดยน้จะไม่ถูกาเดี๋ยวก่อนนาปาอยู่ที่จมูกขี้อยู่ที่ตูนนาปาสูงกว่าไม่เป็นไรไม่มีเสียเลยวะท่านไม่เคยเสียรู้ไปเคยบอกมาแล้ว อาจรย์ลุี่ก็บอกว่าเวลาเยี่ยวเวลาที่อ้ามภาวานานะนาจะบาปด้วยฐานหลวงพ่อท่านพอบอกเชื่อไอ้บาปถ้าเวลาจะตายเวลานั้นว่าไงอจะทิ้งพระได้หรือไม่ได้ออตอนนี้เรภาวนาในส้วมจะเกิดตายในส่วมก็เขาตาิไม่านเลยเขเป็นสังขารหรือเปรย์ายาเนี่ยวางเฉยทุกอย่างในสนะ้วนมมันยุ่งอย่างเดียวขี้อย่างเดียวออกไม่ออก ต า, ตาสาวหลวงพ่อเจ้าสาที่รรลูกก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาเป็นเวลาพอสุควรประสบประการต่างๆเป็นอย่างมากแต่ในยุคแรกหนึ่งในขณะที่ลูกภาวนาแล้วก็ น, นอนไปใกล้ๆที่ใกล้ๆเวลาที่ลูกจะตื่นมั ก, ก็เป็นยิ้มยิ้มละได้ได้ยินเสียงบอกว่าหันหันมา เขียนเคราะห์นุ่มนวนลูกก็แปลกใจก็มองไปตามเสียงนั้นไม่มีอะไรแต่ไปมีกระดาษเป็นลูกหลวงพ่อเจ้าแขวนไว้ที่ฝาห้องลูกก็นอนต่อภาวนาเรื่อยไปพอใกล้จะตื่นก็หันมาหาฉันทิโอ้ดอย่างนี้เป็นประจานทุกทัานที่จะเรียนถามก็คือว่าผู้ที่พูดนั้นคือลูกหลวงพ่อเจ้าหรือเปล่า เราเราเชื่อว่าเป็นเสียงพระเจ้าเลยก็แล้วกันถ้าเสียงรพราเพราะเสียงเบาเบานะ่ยต้องเสียงคล้ายๆผู้หญิงกับเสียงเด็กผสมกันนี่เป็นเสียงพระพุทธเจ้า <c oughs> ฉ, ฉันเคยได้ยินเมืก่อนนี้จะทํางานอย่างหนึ่งมันหนักใจเรื่องการเงินจไมไหมหนุม่มๆนะพอนอ น, นอนไปดับไฟนอนบรรณาภูโธเสียงพูดเบาๆหลังกมม็ไม่เป็นไรนไม่เป็นไรฉันช่วยไม่เป็นไรฉันช่วย แวงานนั้นเสร็จจริงๆเร็วมากผมทําดยฉันช่วยใช่ใช่ฉันไม่ได้แบกากินนะ่ใ่ใช่ขอให้นาต่อไปรักษาความดีหอรักษาความรักากรรเป็นใช่ใช่ใช่ขาวนาต่อไปรัษความดีเือรักษาคาเกย ใช่ถ้าไม่มีเครือความเปรี้ยวจะไม่เด่นถ้ากินเครือเป็นหน่อยกินความเปรีป้ยวเรียความเปรี้ยวจะเด่นอ<า> โ, โ, โอ้โหแหม <c oughs> ทิ้งได้อาจารย์แท้ไปท <c oughs> ิ้อยู่ติดนะโอดิจะไ่อะไรหร อ, จอกจสบายใจอยู่นิดหนึ่งหรือว่าอย่างนี้เ ค, ย, ย, คยเลี้ยงสุนัขมปนตัวหนึ่ง ทีแรกมันก็ดีตอนหลังให้มันชอบกัดไอ้ยางเออการลูกไม่ว่ามันชอบกัดยางรถยนต์ไอ้ลูกรถยนต์ก็แหมราคาแพงมันไม่นานจะทําลูกโง่โหเลยเอาไปปล่อยที่วะดพอปล่อยเสร็จเรียบร้อยกลับความว่าหนูให้ลูกทำถูกหรือเปล่าจะเอาหมาไปเป็นภาระละดังนั้นลูกก็เลยมาขอมามาหลวก็ไม่ไทยหรอกนี่จะขอมาเยอะเท่านั้นที่ทวัดนั่นเหร มาเพื่อปลรามาราพ่อออกรพี่ไอ้ี่ไม่ออกเนี่ยไมออกออกมาียใช่ใช่ครับครับแ้วยังไม่บาปใชหมแต่ชาติน้าถูกพร่าหน่อยใช่ใช่อาจจะพร่าอยู่สามีก็ได้พร่ได้่าได้วางนะโดนหญิงไปเอาตามกันอย่างเดิมเดี๋ยวจะูาดนะ อะไรเปก้แล้วกับลาดนะาอะไรอ๋ออีนเดียวบอกว่าดอย่างนีก่อะที่เรางพอว่าเริ่แก่โรกเอดนันะที่ใช้้ยาเหนือวันนี้ผมไปซื้อมาสองห่ออีกห่อหนึ่งอีกห่อใหญ่ห่อนึ่งห่อเล็กอีกห่อหนึ่งเขาก็ยาเหนืออีกห่อหนึงอกวยาตั้งลูกไม่รู้จะเอาห่อไหนเป็นยาตามที่รักษาโลกเอดส ตั้งหือเป่แน่ครับไร่ล่อต้องสองอ่อนเลยเลยโอ้วันนี้ดีาเรื่องราวไปเออไม่อรถเองจริงมันใช้ได้สองตั้งสอหอสองหยาหอนยาตั้งเนี่ยเขาทำเป็นชั้นๆเรียบร้อยหยิบเป็นชั้นๆมาเป็นผืนๆใช่ไมนยาเหนือเขาทายาเหนึ่ทำไมเพายาประเภทนี้ทำอย่างภาคเหนือ ในเรื่องสาคัญ น, น้ฟัฟไม่ดีรด้องพ่อเออร้องข้อขอรับทีต อ, อนแท่งกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนพุ <c oughs> วันไทยเจอกับจีนเจา้าภาพเขาแพ้เจ้าภาพจีนแพ้ไทยรเตะเข้าประตูไทยไม่ออกไม่ได้ ทีวีเขาไปสองศาสรว่าโผ oh, เป็นเพรเหตดไลยจริงทินเสะไทยทไม่เขา้าตะโกไทยชื่อไทยอท ย, ยอมตอบว่าเป็นเพราะถ้ามีไพ่ ย, ยันหลวงพ่อคือสีดินดำนะนะท่านผู้ใหญ่ให้ลูกเขาก้าโผลทีวีก็เลยสักต่อไปว่า เออแลวงพ่อฤาษีดิ้งดังอยู่ที่ไหนไอโก้คนมันบอกว่าอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีมันรักถามวัดอะไรมันจำไม่ได้บอกว่าผมจะเป็นวัดอุทัยธานีก็ไม่สิไม่สิยังยังป้ายไงก็ต้องลงไทธานี วัชจันตาลามลเลขาสรงตำบลน้ำซึมเมืองเมืองเมืองยธานี้งเขียนอะไรนั้นไม่ผิดอ่อน่อยน ะ, ะลูก่าพื้นเป็นอย่างมากก็เลยจะมาขอบารมีอย่างนี้ว่าตอนนี้ไปลูกจะเอาผ้า ย, ยันของพ่อไปช่วยปัดเี่ปัดสิงกอก็ย้ายมานี ที่ประตูไปตีเต็ม่โอ้เข้าตาระจันโอ้ว่ายันแต่เอซเกิร์ดไม่เป็นไรืท่านท่านจะไปปัดนี่อ้ใปัดประตูก่อนใช่ไหม้าบูชาก็ยันนะแล้วก็ใช้กระ้างนั้นแลนร่วม พระวายานีใช้ทุกอย่างนะเยอะไม่รู้ป yes. ืนแดงปืนกรเป็นแดงอปนแดงนะครับเรียกว่าอะไรอภิใจยังสงราอภิใจสงครามมหาใจสงครามหอภิรพระวานีเคยบัมตอนม่งุ่นนะ